ด้วยเหตุที่วิมุตต์มีความหมายต่างออกไปได้หลายระดับเช่นนี้ในคำพีชั้นอัถกถาท่านจึงรวมมาจัดเข้าเป็นขั้นตอนให้เห็นชัดยิ่งขึ้นและนิยมจัดแบ่งเป็น5ขั้นหรือ5ความหมายเรียนแบบนิโรธดขั้นที่กล่าวแล้วข้างต้นในบทที่7วิธีแบ่งของท่านแบบนี้ก็ดูครอบกลุมเนื้อหาที่บรรยายมาแล้วได้ดีและอาจช่วยผู้ศึกษาที่ยังไม่คุ้นให้มองเห็นภาพชัดขึ้น ทำให้เข้าใจง่ายเขาอีกจึงลองเอาวิมุตห้นี้มาเป็นแบบสำหรับทวนความรู้เรื่องวิมุตอีกครั้งวิมุตหนั้นคือ 1. วิขำพนะวิมุตความหลุดพ้นด้วยข่มกิเลสไว้คือระ ง, งับนิวรณ์เป็นต้นได้ด้วยอำนาจสมาธิได้แก่สมาบัติ8คือรูปฌานสี่อะรูปฌานสี่แต่บางทีท่านยอมให้ผ่อนลงมารวมถึงอุปจารสมาธิด้วย วิมุตติสองตะถังควิมุตติความหลุดพ้นด้วยองค์ธรรมจำเพาะคือพ้นอกุศลอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งด้วยธรรมที่เป็นคู่ปฏิปัติกันว่าตามความหมายอย่างเคร่งหรือความหมายมาตรฐานได้แก่พ้นความเห็นผิดยึดถือผิดด้วยอาศัยญาณคือความรู้ฝ่ายวิปัสนาที่ตรงข้ามเป็นคู่ปรับกันเช่นพิจารณาความไม่เที่ยงทําให้พ้นความสําคัญหมายว่าเป็นของเที่ยงเป็นต้น แต่ว่าตามความหมายที่ผ่อนลงมาใช้ได้กับความดีความชั่วทั่วทั่วไปเช่นน้อมใจดิ่งไปทางทานทำให้พ้นจากความตระนีและความโลภน้อมใจดิ่งไปทางเมตตาทำให้พ้นจากพยาบาทหรือการมองในแง่ร้ายพุ่งความคิดไปทางกรุณาหรืออหิงสาทำให้พ้นจากวิหิงสาคือการข่มเหงเบียดเบียนและความรุนแรงเป็นต้นวิมุต ตามความหมายสองอย่างแรกนี้กลุ่มถึงสามายิกะเจโตวิมุตตและเป็นโลกิยะวิมุตต์ทั้งหมดวิมุตตที่สมสมุทเฉทวิมุตตความหลุดพ้นด้วยเด็ดขาดหรือตัดขาดคือการทำลายกิเลส ท, ที่ผูกรัดไว้หลุดพ้นเป็นอิสระออกไปได้ด้วยยานหรือวิชาขั้นสุดท้ายได้แก่วิมุตต์ในความหมายที่เป็นมักวิมุตตที่สี่ ปฏิปสัตถิวิมุตต์ความหลุดพ้นด้วยสงบระงับเรียบสนิทหรือราบคาบไปคือความเป็นผู้หลุดพ้นออกไปได้แล้วมีความเป็นอิสระอยู่เพราะกิเลสที่เคยผูกรัดหรือครอบงำถูกกำจัดราบคาบไปแล้วได้แก่วิมุตต์ในความหมายที่เป็นผลวิมุตต์ที่หนิสรณวิมุตต์ความหลุดพ้นที่เป็นภาวะหลุดรอดปลอดโปรง่ง คือภาวะแห่งความเป็นอิสระที่ผู้หลุดพ้นเป็นอิสระแล้วประสบอยู่ชื่นชมหรือเสวยรสอยู่และซึ่งทำให้ผู้นั้นปฏิบัติกิจอื่นๆได้ด้วยดีต่อๆไปได้แก่วิมุตในความหมายที่เป็นนิพพานวิมุตตามความหมายสามอย่างหลังนี้คือวิมุตที่สที่4และที่หเป็นอสามายิกะเจโตวิมุตและเป็นโลกุตระวิมุต ว่าโดยสาระแท้มิมุตหอันได้แก่วิขมพนะมิมุตตะทังข้ามิมุตสมุตเฉทวมิมุตปฏิปสัสสติวิมุตและนิสรณะวิมุตนี้ก็คือสมถะวิปัสนามรรคผลและนิพพานตามลำดับจบบทที่8